ตอนนี้ไปทุกคนก็นั่งสงบจิตใจของตัวเองเราทำใจให้นิ่งให้สงบเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะนั่นเป็นที่พักผ่อนให้ใจได้พักผ่อนใจของเราเนะ่ะได้ทํางานตลอดวันตลอดคืนคือมันทํางานของมันเองจับอารมณ์นั้นจับอารมณ์นี้ วิ่งไปทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายก็เรียกว่ามันทำงานใจทำงานงานของใจคือเป็นจิตเป็นความคิดความปุงความแต่งเลยเรียกว่าสังขารตากระทบกับรูปเห็นเข้าไปยินดียลายอันที่เกิดขึ้นอย่างนั้น เขาเรียกว่าสังขารหรือเรียกว่าตัณหาความอยากได้อยากเป็นไม่อยากเป็นจิตใจของเรามันอยู่กับอย่างนั้นอยู่กับเรื่องราวอย่างนั้นเงถ้าทำงานบางอย่างที่ที่จิตมันชอบมันจะหมกมุ่นมันจะพัวพันมันจะติดในสิ่งนั้น ติดในสิ่งนั้นแล้วทางๆ ท, ที่เราอยากจะสละแม้มันคิดมันปรุงมันแต่งอย่างนั้นดึงมากดและชั่วขามก็ ว, วิ่งเข้าไปติดกับอ้อมแม้จะดึงมาใส่พุทโธธรรมโอสังโฆหรือดึงมาใส่ลมหายใจกมันก็ไม่อยู่เพราะมันติดอารมณ์คือไปยินดีไปพอใจในอารมณ์นั้นนั้น มันก็ผูกพันผูกพันใจผูกมัดไว้นี่ถ้าเราไม่ปล่อยเราระวังรักษาถ้าเผลอมาแล้วมันก็วิงถ้ากิดมันไม่มีที่อยู่ข้างในเราต้องสร้างที่อยู่ให้แก่ใจข้างในคือให้ใจมีเครื่องอยู่ ข้างในแทนข้างนอกข้างนอกนั้นเป็นเพียงเพียงงานเพียงหน้าที่การงานเหมือนกับงานของเราที่เราทาวันหนึ่งวันหนึ่งก็ทำงานตามกำหนดเวลาเมื่อหมดเวลาแล้วก็เลิกงานก็เรีออยกว่าว่างงานไม่ได้ทำงานขนาดนั้นเรนในเรื่องของกาย แต่เรื่องของใจก็เหมือนกันใจมันก็ทำงานพร้อมกันไปเดี๋ยวรับ ไ, ไปทำงานนั้นรับไปทำงานนี้พลังจิตก็เลยอ่อนเพลีย่อย เ, เฉพาะก็คือสมองสมองมันเพลียสมองนันมันทำงานที่ทำงานของใจใจส่งเข้าสู่สมอง ทำหน้าที่คิดนั่นคิดนี่ปุงนั่นปุงนี่เมื่อทำงานมากล้นเหลือก็ปวดสมองปวดศีรษะอจิตนั้นไปบังคับสมองทีนี้ถ้าเรามีเครื่องอยู่ทางในเนีเ่ยครมีสติสมาธิเป็นเครื่องอยู่ ถาได้หยุดในสมาธิได้รับความสงบอยู่ในสมาธินานเท่าใดก็จะเย็นสมองมากเท่านี้โจิตมันไม่ได้วิ่งประหาสมองจะเนิ่งอยู่ข้างในดูอยู่ข้างในอ ย, อย่างเดียวเรียกว่าได้ความสบายอันนี้เฉพาะปัจจุบันแต่ผู้ใดสามารถสร้างสมาธิหรือทําใจแห่นิ่งอยู่นิ่งๆได้ก็เรียกว่ามีเครื่องดู เป็นสุขในปัจจุบันนี้แต่ทีนี้ถ้าเราจะอยู่จะเพียงแค่นั้นมันก็ยังไม่พอมันไม่แน่นอนท่านจึงสอนให้เอาปัญญานะเข้าไปเมื่อเช้านี้ว่าเรื่องอาตาปีอยู่ความเพียนเผาเกล็ดสมปชาโนความรู้พร้อมหรือปัญญา ใ้ในการปฏิบัติแล้วก็สติมาคือเป็นผู้มีสติจดจอ่อไม่พลังเผลอในกิจการหน้าที่นั้นๆ น, น, นี่คือหลักปฏิบัติที่จะนำนำไปประกอบทั้งในขณะที่เราเผาเกิเด็ดทั้งขณะที่เรากำลังตั้งอยู่ข้างไหนต้องมีสติ สตปัญญาพร้อมในนั้นทำไมใช้สติปัญญาให้ความเขินเกิดขึ้นมีใน ใ, นใจก็จะผังเผอในขณะที่เราตั้งใจไว้ในกรรมาฐานหรือตั้งใจไว้ในจุดตั้งเอาอย่างที่เขาตั้งใจไว้ในพุทโธเรื่องความรู้สึกมาตั้งไว้ในจุดที่สองอกแล้วก็ดึกดพุทโธ จดจ่อพุโทโธอยู่อย่างนั้นพุโทโธพุโทโธแล้วก็ดูตัวเองว่าพุโทโธอย่างนั้นอย่างนั้นก็เรียกว่าเผากรีดเพอทําอย่างนั้นใจมันจะบุดอัดแต่เมื่อเราเพียรพยายามทําอยู่อย่างนั้นสม่ําเสมเอคือเราใช้ปัญญาเข้าไปในนั้นใช้สติเข้าไปในนั้นพร้อมกันมันก็จะเป็นเครื่องคลาย พอจะเผาอย่างเดียวแล้วไม่ใช่ปัญญากับสติเข้าไปประกอบแล้วก็จะลําบากใช้สติก็คือรวบรวมรักษาใจไว้ให้ในจุดที่เรามู่หมายเนระแ ล, ลักนึกโถนึกําหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกเราใช้ปัญญาแยกแยกออกไปว่าลมหายใจคอก็คือลมหายใจเราให้ใจทํางานเราให้ใจรู้ลมหายใจขอ คือเราตั้งอยู่แบบขนาดนี้จะต้องกําหนดลมหายใจพูดข่าวทอกอย่างเดียวก่อนหายใจพูดโทพูดโทพร้อมทั้งจดจ่อในที่ที่กระทบคือหายใจพูดเข้าไปมันก็ต้องกระทบข้างลุ่มที่ทองที่อกนี้แล้วก็ผ่านออกมาก็หายใจสูบเข้าไปว่าพูดเข้าไปมันก็เข้าไป ก, กระทบข้างในนั้น ทีนี้ปล่อยออกมามันโทรมันก็กระทบที่โสให้เราเดินเนืองก่อนเราเรายังไม่จดจอในจุดที่ตั้งเต็มอัตราคือยังอยู่ต้องต้องกำหนดโลลมด้วยคือหายใจพูดโทรโทรเมื่อทำงานก็มันบางครั้งมันจะอุดอัดบางครั้งมันจะอาจจะลำบากแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นให้ถือว่านี่เป็นการเผากิเลสหละคือเผาใจเรา กิเลสมันอยู่ที่ใจถับเผามันก็ร้อนมันร้อนทั้งใจร้อนทั้งกิเลสเพราะว่ามันติดที่เดียวกันเขานานเข้านานเข้านานเข้านา น, า น, า น, านมันก็อ่อนแม้ว่ามันร้อนมากเขามันก็อ่อนเลยเขาครั้งแรกก็รู้สึกระอุอนแต่ว่ า, displays, ามากผาเข่ามากเข่ามากก็ร้อนขึ้นนี่เราก็กําหนดรู้ด้วยกําหนดว่านั่น เป็นตัวเวทนาแล้วเรากําหนดครั้งแรกคือกําหนดลมนะั่งคือกายานุปัสนาตามรู้ลมหายใจเข้าเป็นกายยกตาก็เป็นกายกายานุปัสนาคือดูลมหายใจข เ, ายยาเาาใจข้านี้เมื่อกําหนดต่อไปความสุขความทุกข์มันก็เกิดของความสุข เขาเกิดก็บเราก็รับรู้นั่นสุขมันเกิดแล้วล่ะทําไมสุขมันจึงเกิดที่มันเกิดกับเพราะว่าเรามันกําหนดลมหายใจคอมันก็เป็นเหตุให้เยือกเย็นสิก็สบายขึ้นมาสิเอากําหนดไปต่อไปอาจจะไม่สบายมันบอกมันนั่นมันความไม่สบายมาเกิดแล้วมันก็เป็นเวทนานไม่เอาเวทนากําหนดลมต่อไป ในขนานี้เราทำงานคือกำหนดลมหายใจครอบกำหนดทำไมกำหนดเพื่อจะสร้างสติไม่ให้จิตมันมั่นในอารมณ์อันเดียวนี่จะไม่ให้ไปที่อื่นพอหายใจนี่มันจับนั่นจับนี่มามากแล้วจะให้มันจับสัอย่างเดียวเนี่งไม่จับอย่างอื่ น, นถ้าเรากำหนดตัวเวทนาขึ้นมาใจมันก็ไม่โ ก, กวนกว่า มันจะเป็นสุขมันก็หม่ยวรกวามันจะเป็นทุกข์มันก็หมาวนกวานี่ถ้าเกินสุขเราเกิดสุขแล้วไม่สำนึกขึ้นมาคือไม่สำนึกตัวเวทนาขึ้นมาถึงในสติปัฏฐานว่ากายเวทนาจิตธรรมกหนดกายเท่านั้นหนอคือกาหนดลมก็เรียกว่ากายลมเป็นเครื่องเกี่ยวเนื่องกับกายกายนี้จะอยู่ได้พาไสลม เมื่อกำหนดลมหายใจพูดโธรพูดโทพูดโทรทไปเลยธนามันก็เกิดเมื่อม่เกิดเพื่อกำหนดรู้เนี่ยถูกเกิดขึ้นกับกาหนดรู้ทุกข์กับกาหนดรู้มันทั้งสองอย่างในหลักสามูไถในยสัตรทุกข์จะให้กําหนดรู้จามูไถในเหตละมีโทดควรทําให้แจ้งมักควรดําเนิน ทั้งสุขและทุกข์ไม่ได้กำหนดแต่ทุกทุกอย่างเนี้หรอกไอ้สุขที่มันมีนี่มันไม่ใช่สุขแท้สุขเกียวปนมันก็คือตัวทุกขนั่นเองพอสุขขึ้นมาหน่อยๆเร็วมันก็กลับกลายเป็นทุกข์ไป ถ, ถ้ามีทุกข์เรากําหนดเข้าไปเอาปัญญาเข้าไปประกอบเอาทุกข์หายไปกลายเป็นสุขไป <c oughs> มันจะสับกันอยู่อย่างนั้นคือไม่ให้ใจของเราไปถือเอานั่นเอง แม้กำหนดลมก็ถือว่าลมก็ลมเป็นที่เป็นที่หยุดไว้ของใจเท่านั้นไม่ได้เอาลมแต่เพื่อเป็นหลักให้จิตหยึดไว้ให้จิตยุดไว้เพื่อให้ใจมันมั่นหรือให้มีสติมั่นคงถ้าหากว่าเราจะกำหนดลอยๆแล้วมันไม่มีที่หมายแล้วมันก็อยู่ไม่ได้คือมันพังเผลอจึงต้องกำหนดลมหายใจพูดเข้าวต่อไปด้วย มันเกิดสุกเกิดทุกข์รับรู้รับทราบไปเรื่อยๆเออขณะนี้สุกมันเกิดแล้วล่ะสุกนั้นก็มันก็ไม่ใช่ใจเราทีนี้ไม่เอาอะไม่เอาสุกละเอาดูเนี่ลเอารู้กําหนดลมต่อไปดูลมต่อไปถ้ามันมีทุกข์ก็กําหนดดูทุกข์เออทุกข์ทีนี้ก็ต้องแก้บ้างให้ทุกข์ถ้าไม่แก้ไม่ได้มันอาจจะเพิ่มเติมคือใช้ปัญญาแก้ทําไมมันเย็ยนทุกข์ทำไมจึงแบนทุกข์ เราไม่เราไปกําหนดแต่ตัวทุกเนี่ยเราไม่กําหนดพูดผู้ที่มันรู้ทุกไม่กําหนดรู้ตัวที่มันมีทุกรู้สึกว่าทุกขึ้นมาใครล่ะเป็นผู้สุขใครละเป็นผู้ทุกกําหนดตัวที่มันสุขทุกนั้นลมหายใจมันไม่สุขไม่ทุกอะแต่ว่าใจนั้นเป็นรับรู้รับทราบว่ามันเป็นสุขเป็นทุกขึ้นมาอย่าให้ใจนั้นไปถือเอาไม่ถือเอาจะถือเอาอะไรทีนี้ มันอยู่ในนั้นแล้วแล้วก็กําหนดตัวรู้เฉาพาะ น, นี่คือใจก็คือมีรู้ไม่ใช่ฝุ่นทุกไอรูนะไอฝุ่นทุกที่มันมาครอบงำใจนะ่ะถ้าเปรียบก็เปรียบเป็นความร้อนความหนาวขนะนาดที่เรานั่งธรรมดาทำาเอาเกิดร้อนขึ้นมามันร้อนทั้งกายและใจพร้อมกันไปเลยจะเอาไปที่ไหนอะร้อนมันอา บ, บ ท, ทั้งร่างกายของเราเนี่หลายความร้อน ในความหนาวก็เหมือนกันมันก็อาบอบเอาไปทั้งรูปหลังกายใ น, นหนาวเมื่ออากาศเย็นสบายสบา ย, บายธรรมนาจิตกายก็สวยรับรู้แล้วก็เออสบายเย็นสบายพอดีไม่ร้อนไม่หนาวเนี่ยมันอาบอยู่ที่กายให้เวทนาเหมือนกันมันก็ชุ่มชื่นอยู่กับดวงรู้นั่นเองนี่เราจะแยกแยะเอามันทิ้งไม่ได้ แต่เพียงรอแล้วกําหนดดวงรู้นะฮะมันเด่นชับแบบนี้คือรู้ไอ่สุขก็สุกซะเราไม่ได้ไปเอาใจใส่ตัวสุขนั้นแต่ว่าเราจะเอาใจใส่ดวงรู้แม้มันมีทุกมาเราก็กําหนดว่าเออมันเป็นทุกมันไม่สบายก็กําหนดตัวรู้มันกันนี่ทางแก้ทิ้งถ้าหาก็มีทกุกมันมีทางแก้เราก็แก้มันไปถ้ามันมีทางแก้ก็กําหนดดวงรู้นะั้นต่อไปที่พระดิจา่าสอนให้ กำหนดรู้เขาเพราะว่าทุกบางอย่างนั่นไม่ว่าทุกกว่าสุกละ่ะมันเป็นผลจะไปแก้มันไม่ได้แต่ตัวแก้แก้คือแก้ตัวสมุทัยนั่นสมุทัยละก็คือไม่ให้ใจของเราไปยินดียินร้ายนั่นเองอ่ะให้ใจของเราไปถือเอาหนึ่งแดดให้ใจถือเอาแต่ว่ามาถือเอาใจกําหนดรู้ใจนั้น เราก็สุขก็สุกทุกกระทุกก็ใจก็ใจมันมีรู้ในกำหนดลมหายใจของเราของเราต่อไปก็จะไม่วุ่นวายมันจะมีมันจะเป็นมันจะเป็นสุขเป็นทุกอย่างไงก็ทังมันหุหมายแต่อาไปเอาไปใจจดจ่อในสิ่งนั้นหรอกกําหนดดวงรู้ของเราต่อไปแล้วเอาดวงรู้นั้นทำงานต่อไปหายใจใส่สิ่งแวดล้อมทั้งหลายมัน มันจะมาหนาวมันจะล้อนอย่างไงก็ตนะมามมันสนใจทํางานเรื่อยไปกําหนดลมเรื่อยไปนี่เห็นว่าจิตถ้ามันกําหนดลมได้ดีแล้วอยู่กับลมได้ดีแล้วเราก็วางพุโทโธดีกำหนดแตเฉพาะลมอย่างเดียวดูลมแล้วดูที่ตั้งดูลมแล้วดูที่ตั้งหายใจให้มันกระทบที่ตั้งมันออกมาก็กระทบที่ตั้งที่ตั้ง ที่สงบนี่เป็นที่หมายยี่เมื่อกระทบที่ตั้งนานเข้ามาเขายวมก็มกละเอียดอ่อนน้อยลงไประวังให้ดีทีหนึ่งทำไมระวังดีแล้วมันจะง่วงมันจะง่วงนอนเพราะสะวยเพราไปสเสวยสุขเวรนานลมมันอ่อนแล้วมันก็มีสุขใจก็มีสุขใจก็เลยเอออาบเอาด้วยสุขหมดเลยไม่กําหนดต้องรู้ไว้ต้องกําหนดต้องรู้ไว้ที่ตั้งว่านี่ใจ ใจก็คือรู้เ่ยทำได้สองชนิดคือประคองเข้ามาประคองมาเข้ามาไว้ที่จุดนั้นประคองไว้ที่จุดนั้นถ้าถ้าเราไปเพ่งมันก็ไปตามสายตาไม่เห็เพ่งคือประคองความรู้สึกไว้ในจุดที่ตั้งเอาความรู้สึกรักษาความรู้สึกไม่ใช่อื่นกกล ประคองไว้ที่จุดตั้งนั่นแหละทีนี้เมื่อความรู้สึกแล้วมันมั่นเข้ามั่นเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเราไม่หมายรู้ที่ตั้งจริงนะแต่ว่าหมายที่รู้มันมีความรู้สึกคือแค่ไหนเพียงแล้วก็รู้อยู่แค่มันรู้นะมันก็จะอยู่ฐานของมันเองแต่ว่าใจไม่ได้กดข่มลงไปถ้าไปกดประคบก็ลําบากใจก็หงุดิดเหมือนกันถ้าถูกบีบบังคับต้องให้ใจของเราปิดอิสระ เอาอย่างเดียวก็คือความรู้สึกความรู้สึกของเรามันมีรู้อยู่เท่าใดเราก็รู้อยู่แค่นั้นเราก็รู้อยู่นิ่งๆทาให้มันนิ่งๆจริ ง, งมันจะอยู่นิ่งได้มากน้อยเพียงไรก็ให้อยู่อย่างนั้นอย่าไปเอาอย่างอื่นเอาพูดเด็กแง่นึ่งมูลคือดูใจประคองดูความรู้สึกของเราอย่างนั้นเราต้องอย่าไปกด <c oughs> คือเราประคองไว้เป็นการประคองไอ้ว่าสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นในดวงรู้นี่มันจะเกิดขึ้นมาอย่างอย่างใดก็มีหนา้าที่อย่างเดียวคือรู้ท่านั้นประคองไว้อย่างนั้นสิ่งต่างๆมันเกิดปุดขึ้นมาเราก็รู้ปุดขึ้นมาก็รู้ดูอาจนดวงรู้นะั้มันหยุดนิ่งอยู่ได้ไม่ต้องไปกดไม่ไปข่มมันก็อยู่แล้วทีนี้ก็เรียกว่าใจาสงบใจนิ่งแล้ว แล้วก็อยู่ด้วยความนิ่งนี่เราเข้าไปตามขั้นตอนของเราไม่ใช่ให้มันเป็นเองคือทางปฏิบัติของเราเราก็ปฏิบัติกันไปเข้าในจุดนั้นแล้วแตะการสุดท้ายเราก็อยู่นิ่งๆเหมือนกับกายของเราทำการงานต่างๆเราก็ทำมาทำไปทำมามันเหนื่อยแล้วเราก็นั่งนิ่งหยุดนิ่งนั่งอยู่กายของเราก็เหมือนกันทให้ทำงาน ถ้ามันกำหนดลมหายใจเข้าพุทเข้าทอพุทเข้าทอเข้ามาผ่านสุกผ่านทุกมาเดี๋ยไปถือเอาสุกทุกกจะบุกเบิกเข้ามั้งมันก็เราทําการงานต่างๆเราทําการงานทางกายมันก็เหนื่อยมันก็ร้อนมันก็ละอุ่นเยงต่างๆไม่เอาใจใส่มันจะร้อนมันจะแดดมันจะอะไรทํางานให้มันเสร็จก็แล้วกันทาแล้วก็หยุดหยุดนิ่งมันเดียวแล้วกำหนดลมหายใจขอกจะสุกจะทุกไหจะไปเอาใจใส่ มุ่งอย่างเดียวก็คือจะทำงานแสดง น, น, นั้นให้พอสั้มดแล้วก็หยุดหยุดนิง่งอาใจหยุดนิง่งโล้่งอยู่นิงน่งๆิ่งนั้นเป็นจุดที่ตั้งที่จะให้ใจมีพลังดูใจตอบแล้วก็ดูสิ่งอื่นต่อไปดังที่เผยแน่แล้วคือดูใจแล้วต่อจากนั้นก็ดูสิ่งที่มันมีในใจเราตั้งตัวดูวนี่เพราะว่าทุกอย่างมันมีในนั้น เวทนาสัญญาสังขารมีอย่างที่เดวัตผ่านห้านะมีพร้อมอยู่ในนั้นพร้อมอยู่ในลวงรู้นันว่าให้รู้ตามความเป็นจริงของมันอย่าให้ใจไปถือเอาของสี่อย่างนั้นว่าเป็นตัวตนคือว่าเป็นใจใจมันก็คือแค่รู้นี่ไอโชกทุกมันไม่ใช่ใจมันเป็นเวทนา ในความจําใดหมายรู้จํารู้จักนั่นรู้จักนี่มันเป็นสัญญาในความคิดนั่น ค, คิดนี่คิดดีคิดไม่ดีทั้งหลายนั้นมันเป็นความคิดเดท่าว่าสังขารสิวิญญาณอาการที่ใจไปรู้อารมณ์ทีนึงรู้อารมณ์นั่นอารมณ์นี้อารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นทุกข์หรือเรื่องราวต่างๆที่ได้เห็นได้ยินไังว่า ม, มันเกิดผุดขึ้นมาในจิตนั่นธะมารลม คืออารมณ์ที่มันมีในใจใจนะมันเก็บมาไว้นานแล้วพอสงบนิดนึงมันก็ขุดขึ้นมาอาการที่จะไปไปัจไปรู้อารมณ์ข้างนอกก็ท่านก็จะเวียามอารมณ์ข้างนอกรู้เรื่องราวทั้งข้า ง, งนอกั้งในนั่นแหละสีดวงรู้ที่ไหนดวงรู้ก็อยู่ในนั้นนะอยู่ที่เดียวกันแต่เราก็ต้องถือตัวกลางตัวกลางมีแค่รู้ ถ้ารู้อยู่แก็จริงว่าเข้าถึงดวงรู้รู้อยู่เป็นจุดต่างถ้ารู้อารมณ์ก็เป็นวิญญาณไปถ้ารู้เรื่องคิดเรื่องพุงหนึ่งแดงก็เรียกวิญญาณไปพาวารู้สึกมีสุขขึ้นมาก็วิ่งเข้าไปหาเรื่องสุขนั้นสวยอยู่ที่สุขนั้นก็ไปสุขสวยสุขกเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยสัญญาที่จำมาวิญญาณมีหน้าที่ส่งออกไปรู้ แล้วก็เป็นจิตเป็นสังขารไปเนี่ยเราอ่านให้รู้นั่นนอกจากรู้อันจุดเดียวนี้แถวนั้นนี่คือใจ น, นี่คือเราคุเดชาสอนให้เอานี้ให้ลดทอน <c oughs> ที่จะลดทอนต้องําลอกมันออกมาแจะชำลอกมันออกมาต้องรู้จักตัวมันเจ๊ะตัวจริงของมันนั้นคือเวทนาสัญญาสังขารมียานไม่ใช่ใจแต่คือดวงรู้อันนี้ ที่ปฏิจารสอนว่าไม่ถือผู้ที่ถือนั้นว่าถือว่ารูปเป็นตนเวทนาเป็นตนสัญญาเป็นตนสังขารวิญญาณเป็นตนถือว่าตนนั้นมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณถือว่าตนนั้นมีในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณ ตัวเรามีอยู่ในในเนี่ยลว้วนเด็กเป็นการสมมุติบัญญัติถือทางนั้นถ้าสมมุติถ้าบัญญัติถือเอาสมมติบัญญัติเหล่านั้นแล้วก็มันก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือพระพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ไปยึดไม่ให้ไปถือเอาสิ่งถายนอกนะเปลี่ยนตัวตนแม้ดวงรู้เอง ก็ไม่เห้ถือว่าเป็นตัวตนถือเพียงแบบเพียงว่ามันก็มีแค่รู้นี่ถ้ามันมีตัวตนมันแก่ตายถ้าไม่มีตัวตนมันไม่แก่ไม่ตายเนี้ยดงรู้เรามันก็ไม่มีตัวตน <c oughs> แต่ก็ไม่มหววว่าความมันไม่มีมีมีรู้พระเดจ้สอนให้ดวงรู้นั่นแหละรู้ตัวนั้นแหละ <c oughs> เราเข้าถึงอรู้อะไร ไ, ไปจับเอาส่วนได้ส่วนหนึ่งของขันห้าแต่ขันห้านะั้นมันก็จะมีอยู่ที่ใจนะเหมือนน้ำอุปธรรมใบบัวต้นบัวต้นบวมก็ไม่แหวแห้งต้นวักก็ต้นบวนน้ำก็น้ำไม่แช่เดียวกันแต่ต้นบวมก็เกิดขึ้นมาที่โคนเลยนะที่มันมีน้ำมันเอง แต่ก็อาศัยอยู่ในที่นั้นกาที่อาศัยอยู่ในนี้เปรียบอีกครั้งหนึ่งท่านว่ามันน้ำอยู่บนใบบัวหรือไม่แค่นั้นก็เหมือนเอาสมัยใหม่ <c oughs> สมัยเก่านั้นท่านเปรียบเหมือนน้ำอยู่บนใบบัวสมัยใหม่เปรียบเหมือนกับน้ำกับน้ำมันน้ำกบน้ำน้ำมันกบน้ำมันมันไม่เข้ากัน น้ำมันหนักน้มันมันเบามันอยู่ข้างบนน้ำมันมันไม่ผสมกันไม่เท่ากันใจของเราก็อย่างนั้น <c oughs> ใจที่ปล่อยวางความยุดถือนี่เราจะปล่อยเราจะวางได้อย่างนั้นแล้วก็ต้องทำความสงบให้เข้าถึงตรงรู้แล้วก็ใช้ปัญญาพินาใครโควร ว่าอันนี้เป็นใจอันนี้เป็นเมทนาสัญญาทังสอนและสอนอีกของใจเมื่อสอนเสร็จสับแล้วก็มัหมายเขาในการคิดจะปรุงจะแต่งนั้นตลอดไปเราก็เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ใจนี่เข้าไปหาให้จุดตั้งเข้าถึงดวงแท้เข้าถึงแท้ของใจนี่ใจเข้ามาสาวก็ไปหาหจุดแท้ของใจนั้นแต่ได้ ไม่ได้มาเขาไอหมู่เวทนาสัญญาสังขารมันจะไม่ ม, ม, มีมันมีอยู่ในนั้นแต่ให้มันอยู่คนละส่วนแต่ละสักให้มันอยู่ต่างหากคือเราไม่เอาใจใส่กันหมายใจใส่เวทนาสัญญาสังขารแต่และเอาใจใส่แต่เฉพาะจุดโลนานทำอย่างนี้เรียกว่าเราอยู่ด้วยความสงบนี่ถ้าเราสงบนิ่งๆอยู่ยังเอาสงบให้งานพอสมควรเท่ากี่จะนามเป็นการพักผ่อน ยังไม่พออา้าวยังจะต้องกำหนดกายพิจารณากายก็เราต่อไปกำหนดรู้กายของความรู้สึกกายทั้งหมดนี้กาอทาความรู้สึกที่กายทั้งหมดนี้คือ ท, ทำความรู้สึกที่กายเฉยๆก่อนยังไม่คิดกำหนดรู้ไว้แล้วก็ต่อจากนั้นก็อ่านกายว่ากายนี้มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้แหละทางในในลอกหนังออกไปมันก็จะมี เห็นเลือดเห็นเนื้อเห็นกระดูกเข้าไปในท้องเห็นตับไปใส่โครงีขยงต่างๆนี้มีหนังห่อไว้เท่านั้นหาไม่มีหนังห่อไว้ก็เปยออกหมดละไอ้ร่างกายนี่เนื้อหนังมังสาก็จะไหลเลือดเทื้ออะไรต่างๆก็จะไหลเยิ้มออกไปนี่มันมีสาระอะไรในร่างกายที่เขารักเขาหลงเขาเมาว่าสวยว่างามกัมมัฏรับไคร พอใจนั่นพรามันมีหนังหุ้มอยู่นี่ด็เรามองเห็นว่ามันสวยมันงามเรามองดูภายนอกนะมันสวยมันงามจริงๆถ้าไม่ดูข้างในถ้าเรามองเห็นว่าเอาคนนั้นมาสวยมันงามถ้าดูข้างในออกมาแล้วมันไม่มีปัญหาหรือเราดูอย่างอื่นนั่นคือเหมือนกับศพของเขาที่อยู่ในโรงจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นหนุ่มเป็นสาวมันตายแล้วเขาเอาใส่โรงไว้ ก็ประดับประดาลงศพให้สวยงามดอกไม้หนังต่างๆมาประดับให้สวยบางทีจะใส่ประสาทจะราคาเป็นหมื่นเป็นแสนงามประสานงามลงศพน่งงามขายก็ว่างามงามแล้วใครอยากได้ใน ม, มีใครใครอยากได้ลงศพนั่นใครอยากได้ของที่มันมีในลงศพนั่นเราก็ว่ามันงามเฉยๆแต่เราไม่อยากได้ เขารู้อยู่ว่าของอยุ่ข้างในนะ้ำมันของโสโคปฏิกูลเรารู้ร่างกายของเราก็จะเดียวกันร่างกายของของอื่นเขามองเอองามตามสมมติของโลกของเรามองอยงามตามสมมุติของโลกแต่ให้ใจเขาเรารู้อย่างดีว่วนี่มันสวยงามข้างนอกต่างหาก แต่ข้างในนะไม่สวยงามไม่แต่ไปเอาสวยเอางามนั่นก็ไปเอา้าววันทังสวยงามคนที่สวยที่งามเป็นนางสาวจากกวัจกรวาลจักรวาลยิงหว่ามันจะเหอะมันจะงานอยู่กี่มือยินดีพอใจเอาความงามความสวยก็ได้ให้ปีติดอาวุธถึงสุขหยุดจะมีความสุขได้แค่ไหนเพียงไรนี่เลยกี่ปี มาคำนวณข้างในเอาก็เท่าเก่าก็เคเพียงได้แค่ยินดีพอใจปลื้มใจสุขใจเพราะว่าตัวเองสวยตัวเองงามเจ้าของร่างนั่นแล้วสิ่งนั้นมันได้ที่ไหนออื <c oughs> ไม่ได้ผสุดท้ายก็เปลี่ยนสภาพไปได้แค่ยินดีร้ยายแค่นั้นนะ่ะแล้วนา น, านๆเขาก็หายไปเอง ไม่ใช่เป็นของสาระที่จะเป็นของแน่นอนมั่นคงปติจจาว่าเป็นสุกแลแต่เป็นอามิตสุขสุกที่เบื่อปนด้วยทุกข์เบืออามิตเครื่องภายนอกเท่านั้นในร่างกายของเขาของเราเท่ากันมีธาตุจีดินน้ำมหิดลมเหมือนกันแก่เท่าชะลาเหมือนกันมีของโสโครกปฏิกูลเต็มเหมือนกัน ในท้องในใส่เต็มเลยของโสโคกปฏิลตอนเช้าก็ไปถ่ายเข้าห้องน้ําห้องส้วมเหมือนกันแล้วก็กินข้าวเข้าไปเอาเข้าไปแล้วมันก็ออกมากินน้ําเข้าไปแล้วมันก็ออกมานั้นเป็นอย่างนั้นเป็นเป็นเรื่องของร่างกาที่จะต้องถ่ายเทอยู่อย่างนั้นใส่ของหยาบเข้าไปมันก็เป็นกากออกมา ส่วนละเอียดก็เป็นออกมาทางร่างกายเป็นขี้หูขี้ตาขี้เหงื่อขี้ใครออกมาทางล่างกายในส่วนยาบยาวคนนั้นเป็นปากออกทางทวารนนะ่ะ <c oughs> ส่วนน้ําที่เราดื่มเข้าไปเป็นน้ําสะอาดาแต่มันออกมาทางปัสสาวะมันกลับไม่สะอาเลยกลับเหม็นหึงเขยหนี่เราพิณากําหนดร่างกายเพราะเราให้เป็นอสุภะรรมธาต